บัธรรมเวลาใดจึงจะเหมาะหรือว่าเวลาใดที่เหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมอันนี่เป็นคำถามที่มีอยู่ในใจของหลายคนถามว่าเวลาใดที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมมันก็ขึ้นอยู่ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเราหมายความว่าอะไรถ้าหมายถึงการฝึกจิตเวลาที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมก็คงจะได้แก่เวลาที่เราสบายๆโปร่งโล่ง ไม่มีภารกิจบีบรัดชีวิตไม่ว้าวุ่นหรือพูดรวงคือเป็นช่วงที่เรามีชีวิตที่ปกติสุขและบางคนอาจจะพบว่าเออเวลาตื่นนอนมันช่วงเรลาที่สบายสบา ย, ยไม่มีอะไรที่มารบกวนจิตใจ ก็ จ, จะใช้เวลานัสลการสุดจิตจเช่นเจริญสติทาสมาธิเดี๋ยวเราก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมมาถึงการใช้ธรรมะเพื่อรักษาใจหรือเพื่อบรรเทาทุกข์ดับทุกข์เนี่ยนะเวลาที่เหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมก็คือเวลาที่มีความทุกข์นั่นแหละหรือเวลาที่เจอกับ สิ่งกระทบที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธเกิดความโศเกิดความเศร้าเกิดความเครียดเวลานั่นแหละนะเป็นเวลาเหมาะกับการปฏิบัติธรรมซึ่งรวมไปถึงตอนที่เจอกับ อันนี้ารลมอันนี้ารมก็คือรูปรู้เ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจเราต้งเหตุการณ์ที่ไม่เึงปรารถนาเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกต่อว่าด่าทอหรือช่วงเวลาที่มีความทุกข์เช่นเจ็บป่วยเจอประสักเจอความล้มเหลวช่วงเวลานั่นแหละนะคือช่วงเวลาที่เหมาะการปฏิบัติธรรมเป็นช่วงเวลาที่เหมาะการเอาธรรมะมาใช้เพื่อรักษาใจไม่ให้ทุกข์ หรือเพื่อเอามาใช้ให้เอามาใช้เพื่อพาจิตออกจากความทุกข์ซึ่งก็ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลามีการกระทบเพราะว่าทุกเนี่ยที่มันเป็นความโกรธความโศกความเศร้ามันเกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู้มีการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย แล้วก็เลยปรุงแต่งเป็นธรรมอารมณ์หรืออารมณ์ที่ก่อทุกข์ขึ้นมาในใจตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคนไม่ค่อยตระหนักนะว่าเวลาที่เจอความทุกข์หรือเวลาที่มีการกระทบเกิดขึ้นนั่นแหละคือเวลาที่เหมาะการปฏิบัติธรรมเพราะตอนนั้นเนี่ยนะความทุกข์มันเกิดขึ้นกับใจแล้ว หรือว่ามันเกิดนะอารมณ์ที่เป็นอกุศลขึ้นมาในใจถ้าไม่เอาธรรมะมาใช้ในยามนี้แล้วจะามาใช้ในยามไหนนะเหมือนกับยาเนี่นะเรามาใชนะ้ก็ตอนที่เจ็บป่วยนะถ้าไม่เจ็บป่วยยาก็ไม่จำเป็นในแง่หนึ่งธรรมะก็เปลี่ยนเหมือนยานะที่ใช้ บรรเทาทุกหรือความเจ็บป่วยทางใจได้คนจะไม่น้อยแม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมหรือคนที่เรียกตัวเองว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ค่อยตระหนักนะว่าไอ้ตอนที่เจอการกระทบขึ้นมาหรือมีความทุกเนั่นแหละเป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมแล้วส่วนอย่าไม่เชื่าปฏิบัติธรรมก็คือช่วงเวลาที่อยู่วัดเข้าคอร์สหรือช่วงเวลาที่ นั่งภาวนาอยู่ในห้องพระอันนั้นก็ถูกนะแต่ว่ามันยังไม่ถูกต้องครบถ้วนเพราะนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมในระดับที่เป็นการฝึกจิตเราต้องตระหนักว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีทั้ง2ระดับนะระดับที่เป็นการฝึกจิตหรือเป็นการเตรียมความพร้อมอ กับระดับที่เป็นการเอาธรรมะมาใช้ในยามที่เกิดความทุกข์หรือถ้าดีเนี่ยยังไม่ต้องรอให้เกิดทุกข์ซะก่อนนะเพียงแค่มันเกิดการกระทบขึ้นมานี่ก็เอามาเอาธรรมะมาใช้ได้ทันทีหรือทันท่วงทีเพราะว่าถ้าเอาธรรมะมาใช้ในในยามที่มันมีการกระทบเนี่ยมันก็สามารถป้องกันความทุกข์ได้ ไม่ต้องรอให้ทุกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาธรรมะมาใช้แต่ว่าก็ยังไม่สายนะถึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้ ว, เ ก, วกเกิดความโกรธเกิดความโศกเกิดความเศร้านั่นแหละนะ่ต้องเอาธรรมะมาใช้แต่ถ้าให้ดีเนะีก่อนที่มันจะโศกมันก่อนที่จะเศร้าก่อนที่จะเครียดก่อนที่จะมีอาการตี อ, อกชกหัวคล่ำครวนทันทีที่มีการกระทบเนี่ยเราก็เอาธรรมะมาใช้มันก็ ทำให้อาระมณ์กุศลหรือความทุกข์นะเกิดขึ้นได้ยากมันต้องทำตั้งแต่ตอนนั้นก่อนที่จะมีทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าเวลาตาเห็นรูปหูวเรียนเสียงหรือเวลาเกิดอนิจจาลมเนี่ยมันไม่ใช่พอมีการกระทบเกิดขึ้นมีการรับรู้เกิดขึ้นหรือมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วใจเราจะทุกข์ทันทีนะั่นไม่ใช่ มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติแบบนั้นมันต้องมีการปรุงแต่งนะหรือมีปฏิกิริยาต่อรูปรเกิรเสียงสัมผัสที่เกิดขึ้นก่อนจึงจะเกิดทุกขึ้นมาเช่นเสียงที่ได้ยินถ้าว่าไม่ไปให้ค่ากับมันว่าเป็นเสียงดังเสียงรบกวนหรือถ้าไม่ไปรู้สึกรบกับมันมันก็ไม่โกรธความโกรธความเกลียด ความหงุดหงิดหรือฟาว่าไม่ไปจดจ่อจับจ้องมันนะไม่ไปยึดติดถือมั่นในสิ่งที่มากระทบมันก็ไม่ทุกน ะ, ะเสียงดังกระทบหูแต่ถ้าไม่ใส่ใจมันก็ไม่หงุดหงิดนะไอ้ความใส่ใจนี่แหละนะเป็นความยึดถืออย่างหนึ่งนะซึ่งเกิดจากความหลง แต่ถ้าเกิดว่าพอมีการกระทบแล้วมีเรามีสตินะทันท่วงทีนะมันก็ไม่มนะีการปรุงแต่งหรือเกิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์ขึ้นมาหรือถึงแม้เป็นทุกข์แล้วหงุดหงิดแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่สายที่จะมีสติรู้ทันอารมณ์นั้นเพราะรู้แล้วเนี่ยมันก็วางได้นะ ไม่ใช่ว่าพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความมืนงีขึ้นมาแล้วใจจะทุกทันทีไม่ใช่มันต้องมีอาการเข้าไปยึดเข้าไปเป็นนะยึดอารมณ์นั้นว่าเป็นเราเปนของเราหรือไปยึติดถือมั่นในอารมณ์นั้นซึ่งเกิดความหลงหนะลงยึดหลงเข้าไปในอารมณ์ดึงจะเกิดทุกขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันอารมณ์นั้นคือเห็นนะไม่เขไปเป็นอย่างที่ลวพ่อกำเขียนว่า มันก็ไม่ทุกนะหรือแม้จะมีแต่ไม่เอานะอย่างที่หลวงปู่ดุล น, นะเคยกล่าวไว้มีคนถามหลวงปู่ว่ามีโกรธไมหลวงปู่มีโกรธไหมหลวงปู่บอกมีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอ า, เอาถ้าไม่เอามันก็ไม่ทุกนะและไม่เอามันเกิดขึ้นได้นะถ้ามีสติหรือไม่ก็มีปัญญา มีปัญญามก็ไม่เอาเหมือนกันมีสติมันก็ไม่เอาเหมือนกันมันวางเพราะนั้นเนี่ยการเอาธรรมะมาใช้ในยามที่เกิดการกระทบหรือในยามที่มีอ น, นิจจารมเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นช่วงเวลาที่บอนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคนจนะไม่น้อยแม้กระทั่งพนักปฏิบัติตธรรมเนี่ย ไม่ค่อยตนหนักนะว่าเนี่ยเวลาที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมหรือเวลาที่จะต้องปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยคือตอนที่มีการกระทบหรือตอนที่เกิดอนิจฐานลมขึ้นมาเกิดเหตุที่ไม่ประสงค์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความพัดพลาดการต่อว่าด่าทออุปรสรรคความล้มเหลวรวมทั้งความเจิดความป่วยพอแม่ธรรมะมาใช้ เกิะไรตามมาก็เกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดเกิดความคําครวนหลายคนนี่ลืมไปเลยนะลืมไปเลยที่ไม่เอาธรรมะมาใช้เนี่ยเพราะว่าลืมเพราะไม่มีสติขาสติเพราะตอนนั้นอารมณ์มันท่วมทนหรือท่วมทับจิตนั้นก็ถูกอารมณ์เนี่ย บ, บังคับหรือว่าบงการให้พุ่งออกนอกเช่นเวลาโกรธเนี่ยนะจิตมันก็คิดแต่จะไปตอบโต้ด้วยคำพูดด้วยการกระทำถ้าไม่ทากับตัวบุคคลก็ทากับข้าวของหรือชื่อเสียงใจมันพุ่งไปทางนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นนิสัยความเคยชินที่ทำอย่างนั้นไปบ่อยททำเป็นประจำจกนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติไปเลยและส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าเมื่อถึงยามนี้เนี่ยมันต้องเอาธรรมะมาใช้ไม่ได้ฝึกความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้น ไปคิดแต่ว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมก็คือการมาเดินจงกรมสร้างจังหวะตามลมหายใจในวัดหรือเข้าคอร์สแล้วก็ภูมิใจว่าเออฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมเพราะฉันมาเข้าคอร์สทุกเดือนเลยแต่ว่าพอเรากลับไปบ้านเนี่ยไม่ได้ตระหนักหรือไม่ได้ใส่ใจเพียงพอว่าเนี่ย ต, ตอน ไปอยู่บ้านกลับไปบ้านตอนกลับไปสู่โลกภายนอกกลับไปที่ทำงานนั่นแหละคือช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอพอไม่ได้คิดนะไม่ได้ใส่ใจเนี่ยเมื่อมีอะไรมากระทบนี่ก็ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นและบงการจิตใจ และนำไปสู่ความทุกข์บางทีอาจจะไม่ได้ลืมนะธรรมะแต่ว่าอาจจะเห็นว่าธรรมะไม่ใช่เวลาที่จะมาใช้ในเหตุการณ์นั้นอย่างเช่นเวลาถูกต่อว่าดาทอรหรือถูกมีคนม า, าทำแะลรไม่ถูกต้องเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยสติสตเตอร์ไม่ต้องสนใจแล้ว แรงมาก็แรงไปมาด่าชั้นชั้นก็ด่ากลับ ต, ต้องสั่งสอนมันให้สะสมมันมีเหตุผลบบนี้ขึ้นมาบางทีใจมันก็นึกนะให้เย็นเอาไว้เย็นเอาไว้นึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าหรือว่าให้กลับมาภาวนาพุโทโธมันมีความคิด หรือความระลึกแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะกับบางคนแต่ตอนนั้นเนี่ยไอ้ความโกรธเนี่ยมันรุนแรงจงกนกระทั่งมไม่สนใจแล้วพุทธทงพุทธเธอแล้วจะไม่สนใจมันดากูก็ต้องด่ามันกลับแบบนี้ก็มีนะคือไปมองว่าเนี่ยธรรมะนี่มันใช้ได้เฉพาะ เวลาสบายๆแต่เวลาถูกกระทำนี่มันไม่ต้องเอาธรรมะมาละใส่เข้าไปเต็มที่เลยอันนี้ก็เรียกว่าถูกกิเลสมันหลอกนะถูกโทสะความโกรธมันหลอกมันปั่นหัวด้วยกันอ้างเหตุผลแต่ส่วนนึ่งก็เพราะว่าไม่มีความตระหนักว่าเนี่ยในเวลานั้นแหละในยามนั้นแหล ะ, ะที่จะต้องเอาธรรมะมาใช้เริ่มตั้งแต่เอาคันติ มาเพื่อข่มอารมณ์ไม่ให้อยู่ในอำนาจของความโกรธหรือสิ่งยั่วยวนเสร็จแล้วก็กลับมามีสตินะันติไม่่าต้องมีสติหรือบางทีก็ต้องมีเมตตามีการให้อภัยเอาธรรมะมาใช้เอาเมตตาเอาการให้ภัยเพื่อดับความรุ่มร้อนแต่ว่า หลายคนนะก็ไม่สนใจเลยไม่ใช่ว่าไม่ได้นึกไม่ออกนะันนึกได้แต่ว่ากลับไม่เห็นว่าเนี่ยมันมีคุณค่าพอเนี่ยที่จะมาใช้ในการรักษาจิตนะใช้ในการปฏิบัตินะกับผู้อื่นนะชาวพุทรอยต้อง โดยพ่อคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมต้องมีความเข้าใจนะว่าเนี่ยการมาปฏิบัตินะในวัดมาเจริญสติตามคอสต่างๆนีมันเป็นเพียงแค่การฝึกจิตนะมันเป็นสิ่งดีนะที่เรามาให้เวลาทุ่มเทกับการปฏิบัติธรรมแบบนี้ไนดะ้ไม่เลยรู้นะ การาตามหลมไว้ใจได้มาเรียนรู้ฝึกสติให้มีความรู้ตัวเวลาเดินจงกรมยกมือเคลื่อนไหวไปมาแต่ว่าแต่ละเป็นข้อจำกัดของการปฏิบัติแบบนี้ก็คือว่ามันไม่ค่อยมีการกระทบเกิดขึ้นเท่าไหร่หมายถึงการกระทบที่ เกิดจากอนิจฐารมนะรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือว่าการเจอเหตุร้ายเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศต่อว่าด่าทอมี่เรามาเข้าคลอสเนี่ยอย่างที่วัดเนี่ยหรือว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยเรามาอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ค่อยมีสิ่งกระทบมากเท่าไหร่ แต่เพราะสิ่งกระทบที่ทําให้เกิด ค, ความรู้สึกเป็นลบเราอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเอื้อต่อการฝึกฝนะไม่มีเสียงดังไม่มีสิ่งยั่วยวนและยั่วยุนะชีวิตก็ เ, เป็นไปอย่างเรื่อยอย่างไม่เร่งรีบสิ่งแวดล้อมก็นะเอื้อกูณต่อการปฏิบัติมันเอื้อต่อการฝึกจิต นะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ความจริงที่ความเป็นจริงที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจําวันซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งกระทบมากมายทั้งยั่วยุแล้วก็เยา้ยายวนยั่วยุให้หงุดหงิดลาคาและเย้าวโยนให้เกิดความโกรธเกิดความเกิดตันหาเกิดความกําหนับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะปฏิบัติ ให้เวลากับการฝึกจิตในระดับนี้นะแต่ว่ามันยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาสร้างความพร้อมให้กับจิตเราอย่างแท้จริงจนกว่าเราจะไปเจอสิ่งกระทบสิ่งกระทบมันรอเราอยู่นะในโลกกว้างในชีวิตประจำวัน แม้กระทั่งในบ้านไม่ต้องถึงที่ทำงานนะแค่กลับไปบ้านเจอลูกเจอพ่อเจอแม่ลูกก็ดื้อพ่อแม่เอาแต่ใจตัวหรือบางทีพ่อแม่ก็เจ็บป่วยต้องดูแลท่านดูแลไปดูแลแมวก็เกิดความเครียดขึ้นมา น, นั่นแหละนะัคือช่วงเวลานะที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมในความหมายที่เป็นการเอาธรรมะมาใช้รักษาจิตเอาธรรมะมาใช้ในการรักษาใจไม่ให้ทุกข์และนคือสิ่งเราต้องหมั่นเตือนใจเราอยู่เสมอนะว่าเวลามีการกระทบนั่นแหละนะัคือเวลาที่เราต้องปฏิบัติธรรมละไม่ ไม่มัวแต่เสียเวลาไม่เอาแต่บน่นโวยวายตีโพยตีพาว่าทาไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องมาเจอแบบนี้นั้นไม่ใช่เวลาที่จะโอดครวนแต่มาเป็นเวลาที่ต้องเอาธรรมะมาใช้ธรรมะที่ฝึกมานะในระหว่างที่เราอยูนะ่วัดในระหว่างที่เราเปลี่ยนตัวมาเข้าคอร์สต้องเตือนตนเตือนใจอยู่เสมอ ที่จริงแม้ทั่งเวลาอยู่วัดหรืออยู่ในคอร์สเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดจากอนิถารมลล้วนนะมันก็มีก็ไม่ควรจะปล่อยให้มันครอบงําใจหรือตกอยู่ในอำนาจของมันจนกระทั่งเกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดหรือว่าโวยวายตีโพยตีพายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมก็ทำอย่างนี้กับฉันมันไม่ใช่เวลาในเวลาสิ่งที่ควรทําคือ เอาธรรมะมาใช้โดยเพราะสติเนี่ยมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งอยู่นะในช่วงเวลาที่เราเข้าขัา้นปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้มันจะไม่มีอนิจจารมณ์เกิดขึ้นมากๆบ่อยๆเหมือนกับเวลาอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานแต่มันก็มีอารมณ์บางอย่างที่ไม่ไทําให้เรามีความสุขเช่นความเบือ่อความ สิ่งนะความไม่พอใจนะเพราะการปฏิบัติไม่ให้ผลอย่างที่คาดหวังแต่มันก็ยังน้อยกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในชีวิตจริงในโลกภายนอกแต่ถ้าเราตระหนักอยู่เสมอว่าเนี่ยเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นนั่นแหละคือการปฏิบัติจะต้องขนขวายระดมเอาธรรมะที่ฝึกมามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นสติความรู้สึกตัวเมตตากรุณาการให้อภัยนะการรู้จักปล่อยรู้จักวางพอเป็นงั้นเนี่ยเราจะหลงจมอยู่ในกับอยู่กับอารมณ์ปล่อยให้ความหลงครอบงำใจหรือไม่เช่นั้นเราก็เอาแต่หงุดหงิดหัวเสียนะหรือว่ากลด่าคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเราทำงานเราก็แสดงว่าเราไม่ได้เอาธรรมะมาใช้แ ล, แล้วเราปล่อยใจไปตามกิเลสไปตามความเคยชินใ น, นเวลาช่วงช่วงเวลาที่เราเจออนิถารม์เจอรูรด์กลื่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจเจอคำต่อว่าด่าทอเจอความสูญเสียเจอความเจ็บป่วยแทนที่จะมัวบน่นโวยวา ย, วายตีโพธิภายให้เตือนตัวเองว่าเนี่ยนี่คือเวลาที่จะเอาธรรมะมาใช้ แล้วทำไมจะามาใช้ในกรณีหรือสาการอย่างนี้ได้มันก็หมายความว่าเราต้องมีการฝึกมาพอสมควรแต่ฝึกมาแล้วไม่ได้เอามาใช้ก็มีพอไปคิดว่าปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่วัดไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่ทํางานไม่อยู่ที่โลกภายนอกหรือในชีวิตประจําวันที่จริงเราจะพูดใถึงที่สุดแล้วนะการเวลาที่หมอการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เพราะเวลาที่มีการกระทบนะจริงๆเวลาที่เหมาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือทุกเวลาเลยทั้งในยามสุขและยามทุกทั้งในยามราบรื่นและในยามที่รุ่ม ร, มรมุดอ น, นดนเหลือเพราะการปฏิบัติธรรมที่เป็นการเจริญสติการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่มีการกําหนดเวลานะไม่ใช่ว่าต้องมาทําตอนก่อน ก่อนนอนหรือว่าตอนตื่นเช้าไม่ใช่เวลาที่ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่จะมาปฏิบัติในห้องพระตราดายที่มีลมหายใจตราดายที่ยังทํากิจต่างๆนั่นแหละคือเวลาสละาการปฏิบัติเวลาสละการเจริญสติเวลาสะาาลาสะาการตามความรู้สึกตัวทําอะไรนะก็รู้ว่าธรทำนะเมื่อทําด้วยกายก็รู้สึก หรือเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อเจออะไรมีการกระทบเกิดขึ้นก็เห็นความคิดนึกที่มันเกิดขึ้นหรือมันปรุงแต่งขึ้นมาและควรถือว่าเนี่ยไอสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันคือแบบฝึกหัดอย่างดีมันไม่ใช่เป็นโอกาสของการเอาธรรมะมาใช้เท่านั้นแต่มันเป็นโอกาสที่ดีสาหรับการฝึก ให้มีธรรมะฝึกให้มีสติหรือฝึกจิตมันจะ ม, มีการบน่นไม่มีการโวยวายตีโพยตีพาวทำไมถึงเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทําไมเขาทํากับเราแบบนี้มันจะไม่ไม่มีการบ่นแบบนี้แต่ว่าจะมีการพร้อมนะพร้อมที่จะเอาธรรมะมาใช้โดยเพราะสติมารู้ทันความคิดมารู้ทันอารมณนะ์เออยิ่งมีการกระทบเท่าไหร่ จะไม่หมวแต่ส่งจิตออกนอกหรือว่าปล่อยให้ความโกรธแค้นความโศกเศร้ามันครอบงำใจแต่กลับมาดูอารมณ์เหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นไม่ปล่อยให้มันครองใจฉะนั้นถ้าเราตระหนักว่าทุกเวลาที่เหมาอกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือทุกวันทุกนาทีเราก็จะไม่มีนะเรียกว่าวินาทีหรือเวลาที่ศูนย์เปล่าแต่และนาทีมันจะมีค่า เป็นทั้งช่วงกลางการฝึกสติฝึกจิตเพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับความทุกข์และความผันผวนแ ป, นปที่จะเกิดขึ้นแล้วถึงเวลาก็จะไม่ไม่มัวแต่จมอยู่ในอารมณ์โศกเศร้าโกรธโมโหแต่ก็จะเกิดความรู้สึกตัวและเอาธรรมะเอาสติเอาปัญญามาใช้อย่างทันท่วงทีแล้วถึงพร้อม